เราใช้บทเจริญมหาสติด้วยบทอิริยาบทเนี่ยเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนนั่งก็รู้ชัดรู้ชัดว่าเรานั่งนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอิริยาบท ยืนก็รู้ชัดว่ายืนเดินก็รู้ชัดว่าเดินิริยาบทเดินเนี่ยเราก็ปรับมาใช้ในิริยาบทที่เราเดินจงกรมเนเราเดินจงจงกรมเนี่ยมีสติรู้ชัดอยู่ว่าเราเดินเอาจิตมารู้เอาสติมากำกับจิตแล้วก็รู้ว่าเราเดินดูไปกิริยาที่เดินแล้วก็ย้อนมาที่จิต ดูไปกิริยาที่เดินแล้วก็น้อมมาที่จิตดูไปกิริยาที่เดินแล้วก่ย้อนมาที่จิตดูข้อแตกต่างระหว่างที่เราเดินกลับไปเดินกลับมาแล้วก็ดูกิริยาที่เราย้อนมาดูที่จิตอยู่ในท่าทีที่เราสังเกตสังกาสํารวมระมัดระวังเมื่อเรานั่งก็รู้เชา่าว่าเรานั่ง เรานั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเราลองทำความรู้สึก ร, รู้สึกตัวนี่เป็นบทอิริยาบทการใช้สติกำหนดอิริยาบทนอนก็รู้ชัดว่านอนนอนเจริญสติตราบใดที่เรายังไม่เมื่อยล้าพอเรานอนยังไม่หลับเรานอนเจริญมหาสติ นอนก็รู้ชัดวปรานอนนอนแล้วก็กาหนดรู้ไปที่เรานอนทงความรู้ว่าเรานอนทงความรู้ว่าเรานอนแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตทงความรู้ว่าเรานอนแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตก็เลยมีบทสรุปว่าตั้งเราตั้งกายเราอยู่ยังไงเราก็รู้หยุดรู้อยู่ยังงันรู้ชัดอาการของกายนั้นๆ อยู่อย่างนั้นพิสูจเห็นพิจารณาในกายในภายในบ้างในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างกายในกายกายก็คือกายในกายก็คือกายส่วนใดส่วนหนึ่งในกายทั้งหลายในกายส่วนที่เป็นกายเนื้อ คือกายในกายคือกายที่เราหลับตาแล้วเราก็เห็นคือกายในใจเป็นภายในกายในกายกายเป็นนเป็นไปในภายในกายเป็นไปในภายนอกกายเป็นไปในภายนอกก็คือกายถ้าเราจะดูมาที่กายของเราเราก็ดูภายนอกของกาย ดูภายนอกของกายมีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังหนังครอบหมดจกทะลุหนังเข้าไปมีอะไรมีเลือดพุ่งออกมามีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกภายในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกเครื่องในทั้งหลายมีตับมีปอดมีหัวใจม้ามพังผืดสารพัดที่มันจะมี กิริยาการของกายเราก็ดูทะลุเข้าไปที่กายกายในภายในกายในภายนอกหรือกายในกายก็หมายถึงกายที่เราหลับตาเห็นกายในกายกายที่เราเราหลับตาเห็นเราหลับดูที่เห็นไหมเราดูมาแล้วเราหลับตาเราเห็นไหมกายกายยืนเราก็รู้ว่ายืนเดินเราก็ยุว่าเดินยืนเราก็ยุรู้ว่ายืนนั่งเราก็รู้ว่านั่ง เราหลับตาเห็นเห็นกายในกายอย่างนี้ก็เป็นกายในภายในแล้วก็เห็นกายในภายนอกหรือเห็นส่วนหนึ่งของกายส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการกายส่วนหนึ่งในภายในกายว่าจะมีสติกําหนดจดจ่อรู้อยู่นั่นแหละคือผลที่เราเจริญทําอยูอย่างนั้นทําให้ต่อเนื่องเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดา เห็นธรรมดาของกายกายนี้ความเป็นธรรมดาของมันนคืออะไรอ่ามันไม่คงที่กายของเราไม่คงที่ใส่อาหารไปมากๆมันก็อ้วนพีขึ้นมาในระหว่างที่ใส่เข้าไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดร่างกายก็อ้วนพีขึ้นมาท้องก็ป่องขึ้นมากำลังวังชาก็ดีขึ้นมาเลือดลมก็ดีขึ้นมากำลังวังชาก็ดีขึ้นมาเนี่ยกาย ความเป็นไปธรรมดาของกายพอเราหยุดสายมันพอเราหยุดสายมันมันก็แฟบลงพอเราหยุดสาย ม, มันก็แฟบลงเนื้อหนังบางสามก็แฟบลงกำลังวางชามก็แฟบลงคือร่างกายของเราเราเห็นส่วนไหนของร่างกายอยู่เท่าเดิมไม่มีนี่คือคือความเป็นธรรมดาของมันธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปด้วยอะไร เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือเราใส่ข้าวปลาอาหารใส่จุกใส่ยาใส่ข้าวปลาอาหารใส่ผักใส่ขนมนมเนยเข้าไปนี่คือเหตุคือปัจจัยของมันถ้าให้ถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้ยังใส่อยู่เท่าไรก็ตามแต่ว่าถ้าหาร่างกายเราเสื่อม คือเจริญมันมีวัยเจริญแล้วก็มีวัยเสื่อมร่างกายของเรามันมีวัยเจริญและมีไวยเสือเเเส่อมเรากำหนดได้ไหมว่าวัยเจริญตั้งแต่ตอนไหนไปถึงตอนไหนไวเสื่อมตั้งแต่ตอนไหนไปถึงตอนไหนตอนที่เรามีเรื่องมีแรงดูมีกําลังวังชาดูกําลังขึ้นเป็นหนม่มเป็นแน่นเต็มแต่งตึงทั้งหมดนั้นคือวัยเจริญ พอถึงวัยเสื่อมก็สิ่งเหล่านี้เริ่มหดไปเหี่ยวไปกำลังวังชาก็เริ่มลดไปน้อยน้อยลงไปถอยลงไปสายตาก็หมดเข้าไปถอยลงไปหูก็ชักตึงๆ ต, ตาก็ชักฟ้าฟ้าฟังฟังฟันก็ชักหลุดชักร่วงเข้าไปนี่ดูความเปลี่ยนแปลงของมันนี่คือความเป็นธรรมดาของมัน เห็นธรรมดาในพายเห็นธรรมดาเห็นความเสื่อมไปของกายเห็นความเจริญขึ้นของกายเห็นความเสื่อมไปของกายเราพิจารณายอมเห็นเป็นธรรมดาอย่างนี้พิจารณาเห็นทั้งความเจริญเห็นทั้งความเสื่อมเห็นภายในใจเห็นด้วยสติเอาสติไปกำหนดจดจ่อรู้อยู่เฉพาะหน้าสักตะว่ารู้ไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายของของเราสักตว่าเป็นรู้เป็นที่รู้ กายเป็นที่รู้เป็นที่ะระลึกรู้อืมเพื่ออะไรเพื่อไม่ตัณหาและทิฏฐิทิฏฐิจูติดอยู่ในกายนี้ไม่มีทิฏฐิคือความเห็นว่ากายเราอมไม่มีตัณหาเข้าไปแทรกว่ากายเราเห็นสักเทว่าเห็นสติเป็นเครื่องสักเทว่ระระลึกรู้จริงๆนี่คือตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่แทรกแซง แล้วก็ไม่มีการยึดถือใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่จะเป็นกายเรากายเขากายใครทุกสิ่งทุกอย่างในโลก mm hmm. พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้เนืองเนืองนี่ mm hmm. ก็น่าให้พิจารณาอิทธิยบท mm hmm. แค่นี้ถ้าหาเรามีสติกํากับควบคุมดูแลตลอดเนื mm ่อ hmm. งเราก็ได้กําลังได้กําลังจากการที่เราตั้งใจพิจารณาดูความเป็นไปของกาย mm hmm. คิอิยาบทของกายนี่เราพูดถึงลมลมท่านเรพารับพิจรารณาลมพ่สู่เข้าไปสู่รุกขมูลล่บไม้หรือเรือนว่างปูอาสนะตั้งกายตรงตั้งสติเฉพาะหน้าคาว่าสติเฉพาะหน้าก็คือมีสติอยู่ในขณะปัจจุบันอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละ สติตัวระลึกรู้อยู่เฉพาะหน้านั่นแหละตัวนั้นแหละคือตัวสติความเปลี่ยนของจิตจากมืดๆทึบๆมาสว่างจ้าอยู่เฉพาะหน้ามารู้ชัดอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละตัวนั้นแหละอ่าเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามีสติมีสติสตกําหนดหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นรู้ชัดย่อมรู้ชัดย่อมสำเนียกในลมเหล่านั้นลมหายใจทั้งปวงนีคือการกำหนดพิจารณาเราสนิทใจกับ อิริยาบทใดอาการใดของกายเราก็กำหนดจดจ่อพิจารณานั่นแหละตั้งเจตนากำหนดจดจ่อลงไปมีคือการทำงานอาศัยสติเป็นภาคพื้นพิจารณากายก็ถูกพิจารณาเวทนาตวกความเจ็บความปวดก็ถูกพิจารณาจิต <c oughs> พิจารณาธรรมทั้งหมดก็ลรวนเป็นธรรมพิจรารณาภาษาผสานกันไปเลยดูที่กายแล้วก็ดูมาที่เวทนาเวลาเราเจ็บปวดดูมาที่เวทนาแล้วก็ดูมาที่จิตดูมาที่จิตอาศัยสติเป็นเครื่องนํานํารู้รู้มาที่กายรู้มาที่เวทนารู้มาที่จิตมันก็เหมือน เหมือนกับเรายืนกําหนดรู้อิเดียบทยืนเหมือนกับเรากําหนดรู้อิเดยาบทเดินอิเดียบทนั่งไปพิจารณาอะไรก็เหมือนกันหมดแล้วแต่เราจะถนัดในอิริยาบทใดแล้วเราจะถนัดในกิริยาอาการใดๆของกายมันก็ถึงกันหมดมันก็ถึงเวทนาเวทนาจะเกิดก็เกิดที่กาย กายเวทนาเกิดที่กายจิตกระรับรู้จิตกระรับรู้เพราะใช้จิตดูกายไม่ใช่จิตเราเก็บไว้ก่อนเรามาดูกายก็จิตนั่นแหละมันเป็นตัวผลิตสติขึ้นมาสติเกิดจากจิตจิตเกิดที่สติสติเกิดกับจิตสติคือความระลึกของจิตการระลึกได้ของจิตคือตัวสติลึกได้ ระลึกรู้เห็นชัดเจนเป็นสัมผัสัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากําลังร ะ, ะลึกอยู่สติตัวนี้เลยเป็นตัวสติทําให้จิตของเราเนี่ยรูสว่างอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่มีสติเรากำหนดจดจ่อลงไปจิตของเรามืดอมื่อทึบทึทั้งมืดทั้งทึบไม่สว่างไม่ปลอดโปรง่ง ไม่สว่างไม่ปลอดโปร่งไม่เห็นชัดกิริยาอาการที่เรากําหนดจดจบพิจารณาเพราะสติเราจืดสติเราจางสติเราบางสติเราเบาสติเราไม่ดีสตินี้คือคุณสมบัติของจิตเราฝึกมากสติก็มีมากเราฝึกน้อยสติก็มีน้อยสติเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นกับจิต เราทําไงสติเรานี้จะเพิ่มพูนทวีคูณเราต้องเจริญหนึ่งหนื่งท่านจึงให้เราเจริญทั้งยืนก็เจริญเดินก็เจริญนั่งก็เจริญนอนก็เจริญทําได้ทุกอิริยาบถเรามาปรับใช้รวมทั้งห่ดนี้ถ้าเราทําได้ต่อเนื่องกันนี่แหละคือการภาวนาภาวนาทําจนได้สติสติแน่แน่นมั่นคงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติ พระอริยเจ้าที่ท่านฝึกฝนอบรมดีแล้วท่านมีสติสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์วิปุลสติวิปุละสติวิบูรณ์สติสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตั้งกำหนดจดจ่อจองใจรู้แต่หากรู้อยู่อย่างนั้นสติที่ท่านฝึกฝนอบรมได้แล้วดีแล้วเป็นสติสติกับจิต เป็นอันเดียวกันอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> เป็นตัวจิตที่ชัดสว่างรูอยู่เฉพาะตัวอยู่อย่างนั้นแนหะไม่มีดับจิตตรงนี้ไม่มีดับคือผู้รู้นะ่ะไม่มีดับจิตสติกำกำกับผู้รู้ตลอดผู้รู้ไม่ดับตราบใดที่เรามีสติกําหนดจุดจ่อกำกับอยู่นั้นจิตก็จะบริสุทธ์ กลสตันหาอาสวะเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้จนไม่กำเริบเมื่อไม่กำเริบผู้รู้ดูนั้นก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาเคลือบมาแฝงนี่คือคุณสมบัติที่ท่านให้เราตั้งแต่ทําให้เกิดทำยังไงเรายถึงจะมีถึงจะเป็นถึงจะเกิดถ้าไม่อาศัยความอดความทนความภาคความเพียร ความเรื่อยๆรืยเนืองเนืองบ่อยบ่อยทำให้มากเจริญให้มากทำเรื่อยเรื่อยทำเนืองเนืองทำบ่อยๆทําทำจนมีผลแปลกปรลาดเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่เป็นคุณสมบัติที่นำจิตของเราไปดีเราเจริญได้เราทำได้เป็นคุณสมบัติของใจใจเราดีไปไหนก็สุขโตสุขติใจสุขติใจสุ ข, ตสขโต ใจที่อยู่เย็นเป็นสุขเราตั้งใจฝึกเรามีสิ่งเหล่านี้แหละเกื้อกูลชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นพยุงภพบชาติของเราให้ดีขึ้นมัน ม, มีอย่างอื่นไม่มีเรื่องอื่นเรื่องอื่นทำก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานมาคิดดูว่าเรามีจิตดวงเดียวเราเห็นโลกนี้ก็เพราะเรามีจิต เราได้ยินอะไรอยู่บนโลกนี้ ก, ก, นนก็เพราะเรามีจิตได้ดมได้ได้กลิ่นได้เลี้ยงได้รสได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรก็เพราะเรามีจิตจิตคือผู้รู้คือท่ารู้จิตดวงนี้ไม่ดับจิตดวงนี้ไม่ตายร่างกายตายจิตออกจากร่างไปแล้วก็ไปหาก่ออีกแต่หากไปด้วยอํานาจของกรรมกรรมดีก็ไปสู่ที่ดีกรรมไม่ดีก็ไปสู่ที่ไม่ดีอ่า ไปกิจที่เป็นนามธรรมก็ไปหารูปธรรมอีกหารูปธรรมไปเกาะเกี่ยวเป็นรูปธรรมไปเกิดในปัญจโคการก็มีเวทนาสัญกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรวมเป็นขันธ์ข่านเกิดในปัญจโคการไปเกิดในเอกวโคการก็ไปเกิดในรูปปบพรหม ที่มีแตรูปไม่มีนามไปเกิดในจตุโวการก็มีแต่อาการสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมิตรนามไม่มีรูปท่านท่า น, ท, านท่านแบ่งถึงถึงภพภูมิที่เราไปเกิดไปเกิดในปัญจโวการเช่นอย่างมนุษย์เหล่านี้ปัญจโวการปัญจแปลว่าห้าอาการห้าอาการห้า ไอ้สอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกิริยาอาการของของผู้รู้กิริยาอาการของผู้รู้รูปก็คือส่วนที่เป็นรูปเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นของหยบหยาเป็นส่วนหยาบเวทนาเป็นส่วนละเอียดสัญญาเป็นส่วนละเอียดสังขารวิญญาณเป็นส่วนละเอียดเป็นอาการของผู้รู้หรือเป็นอาการของจิต กับจิตกับผู้รู้มันก็อันเดียวกันเขาว่าผู้รู้เนี่ยภาษาไทยเราเขาว่าจิตจิตตังจิตตะภาษาบาลีเมันภาษาบาลีจิตกับผู้รู้เหมันกันเดียวกันใจภาษาไทยใจใจกับจิตมันกันเดียวกันนั่นแหละใจภาษาไทยจิตภาษาบาลีจิตตังจิตตัง วิญญาณก็คือกิริยานึงที่ท่านเรียกวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งอย่างหนึ่งเป็นวิญญาณมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แจ้งอีกอันหนึ่งก็คือเป็นวิญญาณธาตวิญญาณธาตุก็คือธาตรู้นี่เองก็คือจิตเราฟังให้เข้าใจพิจารณาให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจ แต่ถ้าหากเราจาะมาที่ผู้รู้ของเราเราจะเห็นด้วยตัวของตัวเราเองใครชี้บอกเท่าไหร่ก็ชี้บอกไม่ถูกเราก็ดูไม่ออกเห็นไม่ได้ดูมาดูมาย้อนมาดูที่ผู้รู้ของเราพยายามเห็นพยายามย้อนพยายามดูพยายามกําหนดจุดจามาดูผู้รู้ของเราเราอยู่กับมันแท้ๆตั้งแต่เกิดมาเราเกิดด้วยพลังของมันแท้ๆตั้งแต่เราเกิดมาอแต่เราไม่เคยไม่เคยเชื่องไม่เคยชิน เพราะเราไม่เคยย้อนเข้ามาถ้ารู้ของเราวิญญาณธาตุของเราวิจัยของเราหรือผู้รู้ของเราอันนี้คือใจใจมันไม่ใช่มันมีหนึ่งเดียวมันมีกิเลสเคลือบแฝงมานี่เรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนเราก็ไม่รู้อแต่พวกเรานับว่ามีบุญมีบุ ญ, ม, บญมีมนุษย์เสียธรรมเรามาเกิดเป็นมนุษย์มีบุญ มนุษย์นี่มีมันสมองมีมันสมองพัฒนาไปได้เร็วมนุษย์เรามีมันสมองพัฒนาไปได้เร็วสัตว์เป็นภพชาติที่ไปสวยกรรมมีสมองเหมือนกันแต่สมองไม่ได้พัฒนาไปเร็วเหมือนมนุษย์เป็นภพชาติที่ไปสวยวิบากกรรมมนุษย์ก็มาสวยวิบากกรรมเหมือนกันแต่มันเป็นมันสมองที่พัฒนาไปได้เร็ว รู้เร็วเข้าใจเร็วฝึกเร็วเราดูเราตั้งแต่แรกรู้เรียงสาภาวะเราไม่รู้จักอะไรเริ่มนุน้นเริ่มนี้พ่อแม่เริ่มบอกเนาพ่อเออแม่เริ่มเรียกพ่อเริ่มเรียกแม่โตขึ้นมาได้ยินได้ฟังหน้อะไรสังเกตสังการู้เป็นหลักธรรมชาติกําหนดจดจําเป็นสัญญาจําเห็นไหมจําจํา น, นุ้นจํานี้โอ้นั้นพ่อนั้นแม่นั่นพี่นั้นน้นนอง นั้นบ้านนั้นเรือนนั้นต้นไม้เริ่มกําหนดเริ่มรู้จักนี่มนุษย์เริ่มรู้จั ก, จกขยับขึ้นมาเริ่มหัดอ่านกอไก่กอกาหัดเริ่มเรียนอนุบาลประถมมัธยมฝึกมาได้อย่างรวดเร็วฝึกมาได้อย่างรวดเร็วประถมมัธยมเจริญมาตามวัที่เขาให้เราเรียนมัธยมอุ ด, ดมเนี่ยเตรียมอุ ด, ดมอุ ด, ดม ปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนไม่จบเรียนจนตายก็เรียนไม่จบวิชาบรรคุนิยเรียนจนตายเรียนไม่จบแต่วิชาของจิตเนี่ยท่านเรียนเรียนจบเรียนจบก็คือเรียนปอกสิ่งที่ผลเปื้อนมากับจิตเรียนปอกออกปอออกปอกออกเพราะมันมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในนี้ครบหมดเป็นกิริยาอาการของจิต เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นกิริยาอาการของจิตเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะกาเ ร, รียกอะไรเจตสิกเจตสิกก็คือเครื่องรู้เจตสิกภาษาภาษาพิธรมภาษาภาษาหลัเกเจตสิตเกเจตสิตกกรรมก็คือเครื่องรู้ของจิต อย่างสติอย่างสัมปชัญญะเนี่ยก็คือเจตสิกกรรมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นสิ่งที่ฝึกฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเราไปเรียนภาษาสมมุติมากเท่าไหร่เรียนไปเรียนไปแล้วหลงคำหลงคำภาษาสมมติดูก็ดูไม่ออกดูวันนั้นก็ไปก็งงดูอันนี้ก็ไปก็งงเรานั่งดูของจริงนั่งดูใจของเรานั่งดูของจริง นั่งสังเกตสังกาศึกษาดูของจริงเรื่องจริงอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกรู้เองเข้าใจเองอเราดูดูให้รู้ดูให้เห็นบางทีไม่จำเป็นจะต้องรู้สมมุติบัญญัติว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรดูให้เห็นความยากของมันยากอย่างหนึ่งยากเป็นเหตุเพื่อความทุกข์ความยากยากอันหนึ่งยากเพื่อทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญ ยาอันหนึ่งส่งเสริมราคะตัณหายากอย่างหนึ่งรู้ละรู้ปล่อยรู้วางตัณหารู้ความอยากเอาอะไรไปรู้เอาสติไปรู้เอาสัมผชัญญาไปรู้เอาปัญญาไปรู้ปัญญาก็คือความรู้ของจิตนั่นแหละปัญญาแปลว่ารู้ทั่วรู้ทั่วเ อ, อะไรรู้คือเอาจิตนี่แหละรู้เอาธาตรู้นั่นแหละไปรู้ รู้ฝึกเข้าไปรู้เข้าไปฝึกเข้าไปรู้เข้าไปฝึกเข้าไปรู้เข้าไปมันรู้แต่ละขณะแต่ละขณะเขาเรียกว่าขณะของสติขณะของจิต ท, ที่มันระลึกรู้ยับยับยับยับระลึกผ่านไประลึกล่วงไปมันก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์นี้มันก็เป็นขันธ์อันหนึ่งเป็นกองขันธ์กองหนึ่งสัญญาก็ศักดิ์ทว่าเป็นสัญญาไม่ใช่ฉิต สังขารปุงภายในจิตก็ไม่ใช่จิตวิญญาณวิญญาณอคตนี้ก็ไม่ใช่จิตเป็นกิริยาอาการของจิตท่านให้ศึกษาให้รู้จักหลักธรรมชาติที่เป็นกิริยาอาการของจิตเหล่านี้เราพยายามดูมาอย่างนี้เราจะเราจะเริ่มเข้าใจดูไปที่ผู้รู้รรดูได้ไหมเราลองดูเราลองหัดกำหนดจุดจ่อลองดูดูให้เห็นผู้รู้ของเราเราจะเพิ่มภูมสติ สัมปชัญญะกับเราปัญญาก็จะเพิ่มพูนทวีคูณภานจิตของเราจะรู้เห็นว่าอะไรเกิดภายในจิตของเราอะไรดับภายในจิตของเราอะไรชั่วร้ายภายในจิตของเราอะไรที่ดีที่สุดภายในจิตของเราเราจะได้เลือกเอาเราจะได้ถือเอาสิ่งนี้แหละทําให้มนุษย์เลิ่ประเสริฐในโลกทําให้มนุษย์เลวไม่ศึกษาไม่ฝึกไม่ปรือสิ่งเหล่านี้ ในที่สุดก็มีแต่กิริยาอาการของสิ่งที่เคลือนมากับจิตอำนาจของฝ่ายต่ําเคลือนเคลือ่อนแฝงมากับจิตนั่นแหละเอาแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาใช้เพราะสิ่งนี้ออกมาใช้อย่างอิสระเสรีไม่มีข้อกําหนดกฎเกณฑ์อะไรคือกิเลสคือตัณหาตัวพลังของมันก็คือความอยากความอยากเป็นพลังของมันความอยากคือคือตัวตัณหา กิริยาภายในจิตคือกิริยาของความอยากความอยากนั้นเป็นกิริยาของตัณหาอยากได้ตามใจชอบอยากได้ไม่มีขอบเขตอยากได้ไม่มีประมาณอยากอย่างอิสระเสรีไม่มีขอบเขตจำกัดนี่เป็นเรื่องของตัณหาอยากทับทุ่งผืออยากผิดขนบผิดธรรมเนียมประเพณีไม่คำนึงถึงศัจธรรมเพราะมันหมายได้ ที่ไม่ใช่สัจธรรมมันก็หมายได้หมายว่าดีหมายว่าชั่วหมายว่าสวยหมายว่างามหมายว่าติดหมายว่ารักหมายว่าช่างหมายว่าชอบหมายว่าราคะตัณหาเพื่อสนองความอยากทำยังไงเพื่อทำไงจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อสนองความอยากนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่มัดเราไวในบัตตะสมสารแต่ถ้าตรงกันข้ามรู้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางสิ่งเหล่านี้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีสิ่งตามมาคือความทุกข์คือกองทุกข์แต่ถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้ระ ง, งับดับสิ่งเหล่านี้ความทุกข์หลายทั้งปวงที่ตามมาันก็น้อยลงน้อยลงก็หมดไปหมดไปเราเห็นที่เกิดของกองทุกข์เห็นที่ดับของกองทุกข์เราก็มาสงบมาระ ง, ง, งับอยู่ที่นี่ระ ง, งับดับความหลงหลงไปยึดไปเกาะไปติดไปพัวพันกับสิ่งเหล่านั้น ก็ต้องการให้ผู้รู้ของเรานะบริสุทธิ์ให้เหลือเป็นหนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ตราบใดที่เราชาระได้บริสุทธิ์ไม่มีอย่างอื่นมาปนเปื้อนนั่นแหละเราถึงที่สุดที่สุดของก่อทุกข์ที่สุดของความทุกข์อ่าวันนี้ยุติแค่นี้อ่า กูเท่ากับพักในนี้แล้วหลวงพ่อประสิทธิ์น่ะจันประสิทธิ์น่ะใครยังไม่ได้ไปกราบก็ไปแล้ววันที่เจ็ดก็เผาแล้วมีเวลาก็ไปวันที่เจ็ดวันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ ย, เ, เ, 6, เ, เ, ยเราก็จะยุ่งหน่อยแหละเพราเราเนี่ยะนะฮะวนี้น่ยยุ่งเ่ยถ้าเกิดคนมามากก็ยิ่งยุ่งมากถ้าเกิดไม่มาเขาไปรุมงานที่นู่นทั้งหมดทั้งหมดเราก็สะดวก เราจะยุ่งน้อยหน่อยนะแต่ว่าตอนสายเราก็จะไปไมันจะเข้าไปได้หรือเปล่าไม่รู้เราไปชีดหลังเขาหน่อยฮะอ่าไปตอนแรงไปตอนค่ำเราไปตอนเผาไม่ได้เราก็ไปตอนค่าก็ได้เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไปตอนไหนเรากลับตอนไหนก็ได้ฮะ เดินไปก็เกือบจะถึงด้วยซ้ําไปเดินไปแล้วก็เดินกลับเนี่ยใช่ไหมโต้เดินไปแล้วก็เดินกลับเอาโู้ไปปล่อยทิ้งไว้นั่นนะฮะอ่าโอ้แล้วเป็นวันประชามติซะอีกนะเฮ้ย <laughs> โอ้แล้วใครจะไปเลือกประชามติ อ, ะอ่ะฮะใครจะไปย้อนบัตรประชามติซะอีกอะ่ะ อไปย่อนเด้อใครรักษาสิทธ์ก็ไปย่อนเด้มีเวลาช่วงไหนก็แวะไปย่อนแป๊บเดียวอืพระเนนเราไม่เกี่ยวพระเนนเราไม่ต้องไปยอ่อนอ่าพระเนนเราไม่ต้องไปย่อนใครมาบวช น, นานไม่ได้ไปบอกเขาอวคนนั้นศูนย์เขาแทงศูนย์ไปเลยฮะ <laughs> เลือกสอสอก็ไม่มีเลือกสอทอก็ไม่มีเลือกอบตก็ไม่มีไม่มีไปออกชื่อสักทีเขาก็เลยแทงตายเขาลงเขาหลงว่กตายนะสาบศูนย์ไม่มีตัวตนมาบวชพระไม่ไปบอกเขานานๆเนี่ยเขาจะแทงแทงออกอย่างนี้แหละเขาจะแทงออกเจ้าของเคยไปหา ในบัญชีสำนักครครัวตั้งแต่ทีแรกๆนู่นเขาย้ายเข้ากรุกที่กรุงเทพนั่นโอ้ยต้องตามไปเอากลับคืนมาเนี่ยไปหายชื่อไม่มีเขาแทงออกเขาบอกคนนี้หมดแล้วก็แทงเข้ากรุ่อยู่กรุงเทพนี่นต้องไปตามมานี่พระเราใครบวชนานๆเราไม่บอกเขาเนี่ยเขาจะแทงออกเขาว่าสาบศูนย์หายศูนย์ไปเลยอสาบศูนย์หายศูนย์บางคนก็สวมรอยเอาสิทธ ของผู้สาบศูนย์นี่แหละไปสวมรอยแทนพูนั้นพูนั้นูนั้นไปสวมรอยแทนลงคะแนนเอาคะแนนคะแนนผีคะแนนผี <c ười> ไม่รู้แล้วเคยได้ยินเขาเล่าฟังเป็นยังืงศึกษาเข้าในโลกเ่ยมีสรพัให้เราศึกษา มีสารพัดเรื่องราวให้เราเกี่ยวข้องเลือกเอาเลือกศึกษาเอาเลือกถือเอาเลือกประพฤติเอาเลือกปฏิบัติเอาที่ไหนมันก็ไม่มากเท่ากับข้างในใจของเราที่เราจะเลือกเอาอันไหนดิบดีมีอยู่ในนี้เลือกถือเอาเลือกประพฤติเอาเลือกปฏิบัติเอาเลือกเลือกเลือก เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาให้ดีให้ดีในหัวใจของเราอย่างอื่นเราไปดูดูเห็นแล้วเทียบเข้ามามาปรับใช้ที่นี่ดูเห็นก็ปรับเข้ามามาใช้ที่นี่ปรับปรุงเข้ามาแล้วก็มาใช้ที่นี่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจใเกิดความฉลาดแล้วดูแต่เราเรียนมากมายเยอะแย ะ, ะกว่าจะจบปริญญาจบด็อกเตอร์เนี่ยเรียนมากมายมหาศาล เรียนเพื่อจะทำให้จิตตรงนี้ฉลาดแ ค, แค่นั้นเองได้ประสบการณ์ฉลาดนอกจากนั้นแล้วเราก็เอาวุธนันมาเทียบกันอาวุธนี้มาเทียบกันอาวุนั้นวทยวุฒนั้นสูงกว่าวุฒนี้สูงกว่าแน่เอามาเทียบในการทำมาหากินก็ได้ทำงานที่ดีกว่าตำแหน่งที่เบากว่าสบายกว่ามันก็มีอยู่อย่างนี้เองเราดูการที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้น แต่การที่เราตั้งใจปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจา้าตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เบาบางของทุกข์ในหัวใจมันเบาบางลงไปให้รู้ที่เกิดของกองทุกข์ให้รู้ที่ดับของกองทุกข์เพื่อกองทุกข์มันจะไม่เกิดอีกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์เหล่านี้เกิดก็เป็นเหตุให้เรามีพบมีภูมิเมือม่อเมื่อมีพบและวจะต้องไปเกิดในภพ มีพราะอะไรไปไปเกิดเมื่อไปเกิดแล้วก็ต้องต้องแก่นะเพราะมันมีวัยเจริญแล้วก็มีวัยเสื่อมต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตายกันไปตายกันมาเขาบ้างเขาตายบ้างเราตายบ้างญาติตายบ้างพ่อตายบ้างแม่ตายบ้างผัวตายบ้างเมียตายบ้างก็ตายกันอยู่อย่างนี้แหละความทุกข์จากการที่บ้างบ้งนี่แหละ มีแด่เรื่องทุกข์มาทับถมหัวใจของเราเราต้องการจะไปให้พ้นตรงนี้เราดูว่าอะไรพาเกิดอะไรพาตายมันมีพลังอันหนึ่งที่ทราให้ตักให้เราค้างอยู่กับสิ่งเหล่านี้คือพลังตัณหานี่แหละเพราะฉะ น, นั้นในนี้ในบทที่เราศึกษาเนี่ยมีแต่วิธีระงับดับตัณหาทั้งนั้นเรามาดูเอาดูบปที่อื่นไม่เห็นหรอกดูใบดูมาที่ใจของเราเห็น ดูจิตดูไปที่อื่นไม่เห็นดูมาที่จิตของตัวเราเองเห็นดูตัณหาดูที่อื่นไม่เห็นดูมาที่จิตของเราเห็นกิริยานิยดูน่ะเป็นกิริยาของสติของปัญญาสิ่งเนี้เกิดขึ้นจากการภาความภาควาียวความปดความทนความอุตสรรคียาเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดปัญญาเห็นที่เกิดของทุกเห็นสมุทยเมื่อเห็นสมุทยแล้วก็พยายาม งดพยายามเว้นพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางดูยังไงจะจะวางได้อพิจารณายังไงจะวางได้พิจารณาให้เห็นโทษของมันพิจารณาเห็นโทษของมันพิจารณาเห็นคุณของมันมีไหมคุณมีนิดหน่อยพิจารณาเห็นโทษของมันมีโทษมากมายแล้วดูมาที่ร่างกายของเรามีคุณนิดหน่อยมีโทษมากมายมหาศาลนะ กางวันกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้อยู่ต้องว oui okay. ิ่งธมาหากินอยู cargo. ่นู้นอยู่นี้นี่คือโทษอย่างหนึ่งของมันลองกอนแล้วนินกินแล้วนอนลองดูไม่มีอะไรจะกินเพราะร่างกายมันต้องกินทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีอะไรกินนี่นี่คือโทษของมันต้องวิ่งตามเหลือกตาลานธมาหากินวิ่งกู้วิ่งกู้นี่ยืมสินวิ่งเอานู้นเอานี้มาลงทุนอย่างนั้นลงทุนอย่างนี้บางคนก็เป็นมิจฉาชีพ ไปลักไปปล้นไปขโมยเขาจากได้เขายิงเขาฆ่าเขาอะไรแต่ไสรสารพัดนี่คือของทุกข์ของกาย <c oughs> พยายามดูให้ออก <c oughs> ทุกข์อีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บเวลาป่วยร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อ ย, ปยไปเรื่อยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวนุ่นมาเกาะเดี๋ยวนี้มาเกาะโรคตับโรคไตโรคปอดมาเร่งเบาหวานเราดูที่ความดันสารพัดมามาเกาะ พอมาเกาะที่กายใจกระทุกแล้ววิ่งดิ้นเพื่อที่จะแก้สิ่งเหล่านี้แหละนี่นี่คือโทษขมันท่านจึให้พิจารณาเห็นโทษขมันมันมีคุณไหมมีคุณนิดหน่อยถ้าเรามาติดมาติดแค่คุณแล้วก็สงวนแล้วก็ทะนุถนอมยิ่งถนอมไปเท่าไหร่ให้มันต้องการให้มันอยู่ให้มันสวยให้มันสวยให้มันงามให้มันผ่องให้มันพี มันเต็มมันเต่งให้มันตึงอยู่นั่นแหละสัหน่อยมันก็ยุบไปแล้วสัหนึ่งมันก็เบี้ยวไปแล้วสัหนึ่งมันก็บิดไปแล้วสัหนึ่งมันก็คล้ําไปแล้วสัหนึ่งก็เหนื่อยสัหนึ่งสักนึงสัหน่อยหนึ่งก็หอบสัหน่อยหนึ่งก็หายใจไม่ออกสัหน่อยหนึ่งก็ถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ออกโอ้ทุกมีแต่เรื่องทุกข์เทนั้นเราดูให้เห็นดูให้เห็นเนี่ยดูทําไม ให้เห็นให้เขียดให้หลาบในกองทุกข์พวกเราจะไม่ติดไม่ติดที่กายไม่ได้ยึดว่า ก, กายนี่เป็นเราถ้าเราติดยิ่งติดก็ยิ่งยึดยิ่งติดยิ่งเกาะถ้าเราเห็นเป็นโทษเราก็พยายามปล่อยเราก็พยายามฟางังว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราดูให้เห็นดูให้เห็นจนเห็นจริงๆมันก็จะไปตรงนั้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสิ่งเหล่านี้มีเหตุมีปัจจัย มีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรายึดทําไมจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเ ม, มื่อมีมันมีด้วยเหตุด้วยปัจจัยในเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยพาเจริญสิ่งเหล่านี้ก็เจริญเหตุไปย้ายพาเสื่อมสิ่งเหล่านี้ก็พาเสื่อมมันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันมีที่ไปมันมีที่มาของมันเราก็ดูแต่ผู้รู้นี่มันง้งมันก็พายยืดโยนนั่นแหละ รู้มันทุกอยู่แต่รู้ be, ปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้มันวางไม่ได้หลองอยู่นั่นแหละยึดอยู่นั่นแหละทั้งหลงทั้งยึดปล่อยได้แล้วยังอถ้าปล่อยได้ก็คือหมดหลงปล่อยไม่ได้ก็คือยังหลงยังยึดอยู่ยังเกาะอ ย, อยู่ยังปกูกพันอยู่ความทุกข์มันมาตรงที่มันหลงหลงนั่นแหละความทุกข์มาตรงนั้นแหละ อ่าพอสมควร l ก t e เวลาเอาครับ